วันนีนะ้ได้ไปเชิงานศพที่บ้านตาดินทองซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้นะวัดป่ามหาวันพูหลงตั้งแต่เข้าบรรษามาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเดือนครึ่งมีงานศพที่บ้านนั้ น, น, นเนี่ยางานแล้วแลวระหว่างที่เดินทางนะไปงานเนี่ยเมื่อตอนบ่าย บอกว่าสองหมู่บ้านนะที่ผ่านนี่คือบ้านกุดงงแล้วก็บ้านผาทองเกลียนก็มีงานศพอีนึงนัเรียกว่ามีงานศพนีพร้อมๆกันเลยนะสบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันวันนี้พระสุขโตมีน้อยเนี่ยพอส่วนหนึ่งก็ไปช่วยสวดงานศพในสองหมู่บ้านถือว่า ศพที่บ้านตากเรนทองนี่ก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็น้อยกว่างานศพที่จะมาไปร่วมตลอด3มเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เข้าบันสามมาก็นีก็ไปร่วมงานศพนี่ส2บสองงานแล้วไม่นับอีกสมงานที่ไปไม่ได้นะเพราะว่าไม่ว่างเสร็จศพก็ 15งานนะในช่วง3เดือนครึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าทุกอาทิตย์เลยนะอนนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตและทั้งหมดที่เสียชีวิตนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวโควิดเลยนะส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยก็เพราะโรคมะเร็งโรคไตวายโรคหัวใจ เกิดทั้งหมดนี้ก็อายุมากแล้ว 70-80 มีบ้างนะที่อายุ50านะ1รายอายุ60กว่าเพื่อรวมชันขอต า, ายอีก1รายนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่มันบอกอะไรบางอย่างเนะี่ยโยเพาะที่มีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่บ้านเนี่ย ส่วนนึงก็เพราะว่าในหมู่บ้านเด๋ยนนี้เนี่ยมีคนแก่เยอะเมืองไทยเราวนี่มันเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยสมัยก่อนในสาบกว่าปีที่แล้วเนี่ยหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยบนเขาเนี่คนแก่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็วัยกลางคนนะ4 0ี่สิ ตอนนี้วัยกลางคนที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นผู้สูงวัยเบสละอายุ 70, 80, 90ก็มีอันนี้คนแก่นี่เรียกว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนมากนะในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนตายอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนนี่30ปีก่อนนี่ มีคนตายสักปีละคนอย่างมากก็สองคนนะแต่เดือนนี้นี่ตายกันปีละห้าหกคน ป, ป่าม า, าหมู่บ้านตาดินทองเมื่อปีที่แล้วนี่ตายไป 8-9 คนนะตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าทำลายสถิติปีนี้ก็กำลังยาไล่ตามมานะตายไปแล้วหหคนได้เจดคน ในด้านนี้มันก็นะชี้เห็นถึงปรากฏการณ์นะของสังคมไทยนะที่กําลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนแก่มีสัสดส่วนเป็นประชากรที่มีสัสดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในรายเดียวกันนี่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างดีนะถึงแม้เราจะ ย, ยังไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยในการที่มีงานศพ เกิดขึ้นใกล้ๆกันทีๆกันนี่มันก็แม้มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์เท่าไหร่นะแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นสิ่งที่เตือนใจเราเตือนใจเราถึงเรื่องความจริงของชีวิตนะว่าเราทุกคนต้องตายบางครั้งเราก็ลืมไปนะความจริงที่ว่าเนี่ย โดยเพราะถ้ายัางหนุ่มยังสาวเนี่ยชีวิตวิถีชีวิ ต, ววตที่เป็นอยู่เนี่ยบ่อยครั้งมันทำให้เราลืมความจริงข้อนี้ไปเพราะเราเอาแต่ทำงานทำงานทำงานทำงานจนไม่มีเวลาคิดหรือเตือนตนนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาย หรือถึงไม่ทำงานนะก็เพลินไปกับความสุขสนุกสนานโดยพาอสองคนในปัจจุบันนี่เขาเชิดชูนะความหนุนสาวความสนุกสนาน ม, มีสิ่งบันเทิงเริงรมมา้นเปลเราเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยแค่เปิดโทรศัพท์มือถือนี่ก็นะจะดูหนังฟังเพลง เท่าไหรก็ได้ไอความสุขสนุกสนานเนี่ยมันท้าให้เราเนี่ยลืมไปนะว่าชีวิตนี้จริงจริงมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่นาเพลิดเพลินยินดีไปล้วนๆแต่มันเจอไปด้วยทุกโดยเพราะความตายเนี่ยถ้าเรา ไปงานศพมันก็ช่วยเตือนใจเรานะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยอยากไปงานศพโดยเพราะคนที่เรารู้จักแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกสะดุดนะแทนที่จะปล่อยชีวิตให้ล้นลามก็สะดุดขึ้นมาว่าเนี่ยชีวิตนี้มันมีความตายนะ เป็นส่วนหนึ่งที่หนีไม่พ้นแล้วถ้าเราคิดให้ให้ดีมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพ่อต่อไปเ น, นี่ยวันเนี้ยมเป็นความตายของคนอื่นแต่ต่อไปมันก็จะเป็นความตายของเราเพียงแต่ว่าเขาไปก่อนเราแต่สุดท้ายเราก็ต้องตามเข้าไป เวลาไปงานศพเนี่ยหรือได้ยินข่าวคราวเกี่ยวเรื่องคนตายเนี่ยโดยาคนที่เรารู้จักเนี่ยอย่าปล่อยให้ใจมันหดหูห่อเหี่ยวอย่างเดียวหรือเสียใจอย่างเดียวให้น้อมเข้ามาใส่ตัวเราคุณสมบัติของธรรมะประการนึงคือว่าเป็นสิ่งที่พึงน้อมเข้ามาใส่ตัวนะโอปัญิโก ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวมันก็เป็นธรรมะได้นะความตายของคนที่เรารู้จักก็ดีคนที่เราไม่รู้จักก็ดีหรือที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวมันก็เป็นธรรมะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาในชีวิตเรียกว่าประมาทธรรมสำคัญมากทีเดียวนะ ในความตายเนี่ยเดี๋ยวพอเมื่อเรานึกถึงความตายของเราเองเนี่ยมันทำให้เราตั้งคาถามหรือรู้จักใครควรกับชีวิตของเราคำถามที่สาคัญก็คือว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่มันดีแล้วหรือยังเราพอใจกับชีวิตที่ผ่านมาหรือเปล่าคณเราจะไปต้องใครควรชีวิตแบบนี้บ้างไม่ใช่ เออเอาแต่มองไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความทะยันอยากแม้แต่เวลาเราใครลพวนชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่มาดูว่าเราประสบความสําเร็จไปถึงไหนได้ถึงความใฝ่ฝันได้บรรลุถึงความใฝ่ฝันหรือยังเท่านั้นไม่พอนะเราต้องถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าว่าเราจะต้องตาย วันนี้วันพรุ่งหรือตายไปอีก3มอีกในอีกเดือนหรือ1ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังจะใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากทีเดียวหลายคนไม่เคยถามเลยไม่เคยถามแบบนี้ได้แต่ถามว่าเออเราประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้ไหมนะตอนจบตอนเรียนจบก็ตั้งเป้าว่านี่จะต้องมีเงินล้านภายใน 5ปีตอนนี้มีเงินครบล้าหรือยังอันนี้มันไม่พอนะหรือมันไม่ถูกด้วยซ้ํำเพราะว่าเราอาจจะมีชีวิตไปไม่ถึงพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำนั่นใครควรนะไต่ถามสอบถามว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจหรื อ, อยังในแง่ที่ว่าถ้าว่าเราต้องตาย ในไม่กี่วันในไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเรายังจะใช้ชวิตแบบนี้หรือเปล่าถ้าเรายังคิดว่าเออยังจะใช้ชิตนิ้แบบนี้ต่อไปอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเราอาจจะมีความพร้อมมากขึ้นนะในการที่จ ะ, ะเผชิญความตายที่จะมาถึงในการค่ายควรชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญนะโดยเพราะเมื่อเรานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรา หลายคนเนี่ยไม่เคยตั้งคำถามเลยไม่เคยใคร่ควรเลยเอาแต่ทำงานหาเงินเอาแต่ปล่อยชีวิตไปตามความทะยันทยันอยากเสร็จแล้ววันหนึ่งเพราะว่าตัวเองไปโรครายแล้วก็สุดท้ายก็นอนติดเตียงความตายใกล้เข้ามาหลายคน ก, กนคนนน็รู้สึกเสียใจนะคนจตนวนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกเสียใจนะ เสียใจอะไรเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาหลายคนจะบอกว่าลูกนี้จะไม่ทำหรือจะไม่ใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่จะไม่หมดแต่ทำงานหาเงินจะไม่หมดแต่สนุกสนานจนลืมสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือความสำคัญบางคนก็เสียใจที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ท่านบางคนก็เสียใจที่ มีเวลาให้กับลูกน้อยไปพ่หมัวแต่ทำงานหาเงินหวังแต่ว่าจะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกและอนาคตที่ว่านี้ก็เอาเงินเป็นหลักแต่สุดท้ายก็เพราะว่าอันนั้นไม่มีความสำคัญนะเท่ากับเวลาที่จะให้กับลูกเึ่งตอนนี้มันแทบไม่เหลือแล้ว อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเสียใจนะเมื่อวันนั้นใกล้เข้ามาแต่คนที่เขารู้จักใคร่ควรชีวิตเนี่ยโดยพิจารณาถึงความตายที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้มันก็ทำให้เขารู้จักนะปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันเป็นไปนทางที่ถูกต้องโดอพราเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมาย ไม่ใช่ความสบายหลายคนเนี่ยคิดถึงแต่ความสบายและความสบายที่ว่านี่ก็ต้องได้มาด้วยเงินทองแต่ที่จริงนะความสบายเนี่ยนคือสิ่งที่กายต้องการร่างกายเราต้องการความสบายต้องการเบาะที่นิ่มต้องการบ้านที่โป่งโลง่งนะหรือว่ามีรั้วหล่อขอบชิด ความสบายเป็นเรื่องของร่างกายส่วนใจต้องการอะไรใจต้องการสิ่งที่มีความหมายเรควรไ่เข้าใจว่าชีวิตเราต้องการความสบายไม่ใช่นะไอ้ความสบายนี่มันเป็นสิ่งที่กายต้องการเท่านั้นแหละส่วนใจต้องการสิ่งที่มีความหมายถ้าเราใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่ามีความหมายซึ่งพูงาาคือว่าเป็นชีวิตที่มั่นคงตั้งมั่นในความดีนะ ถึงเวลาจะตายมันก็ไม่รู้สึกเสียดายกับชีวิตที่ผ่านมาในความรู้สึกภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมามนี่ก็ช่วยมีส่วนช่วยทาให้ให้ความทุกข์ทรมานในเวลาจะตายเนี่ยมันลดน้อยถอยลงก็อย่างน้อยไม่มีความเสียใจหลายคนไม่ยอมตายนะฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายเพราะอะไรนะเพราะว่า ยังไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่เลยนะเอาแต่เอาแต่เบียดเบียนพ่อแม่หรือบางคนก็ยังไม่อยากตายเพราะยังไม่ได้ทำอะไรให้กับลูกเท่าที่ควรแต่ยิ่งพร่ำยิ่งคร่ำกลวนแบบนั้นก็ยิ่งทุกทรมานเข้าไปอ่แต่ถ้าว่าเราใช้ชีดอย่างมีความหมายนะมันมีความภาคภูมิใจ ในการที่จะพร้อมตายเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแต่นอกจากการใครควรชีวิตแล้วนะมันจาเป็นนะที่เราต้องใครควรเรื่องความตายด้วยจะใคลควณแต่เรื่องชีวิตอย่างเดียวไม่พอต้องใครควรเรื่องความตายว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจออย่างแน่นอนใครควรเรื่องความตายนี่หมายความว่ายังไงนะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจออย่างแน่นอน แต่ในความแน่นอนก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็คือว่าไม่รู้จะตายเมื่อไร่และมันสามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างปรับปรับเลยก็ได้มีพระสิทธที่แบบบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะว่าพรุ่งนี้หรือชาหน้าอะไรจะมาก่อนโอ้แม่สัตย์จะทำจริงนะอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้นะพอสำหรับหลายคนเนี่ยวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาคนไทยนีย่มีประมาณพ400คนนะ ที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยแล้วว่าใน1ั0 0้คนนี้ก็ไม่รู้รวมถึงเราที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านั่นเนี่ยความตายมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันทำให้เราต้องยิ่งตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปในขณะการความตายเท่าเราเข้าใจมันก็จะพบว่า มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือน่ากลัวนะความตายแม้จะเป็นวิกฤตแต่มันก็เป็นวิกฤตทางกายแต่มันสามารถเป็นโอกาสทางจิตใจหรือทางจิตปิญญาณได้ถ้าอาจากยพุทธทาสเคยกล่าวว่าเนี่ยในนาทีใกล้าตายนั่นแะคือนาทีทองของชีวิตเพราะเป็นช่วงเวลาที่สัจธรรมความจริงเนี่ ย, ยโดยพอะไพรตายรักเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะแสดงตัวให้ ให้เราเห็นอย่างชัดเจนอาจจะเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะที่มันส่องสว่างหรือที่ว่าใจเราจะเปิดรับแล้วก็ยอมรับไหมถ้าว่าใจเปิดรับโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นะบรรลุอรหัตผลนี่ก็มีมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระอาหารหันต์สมัยก่อนนี่หลายท่านเลยนะท่านก็บรรลุอรหัตผลเนตอนกําลังจะตายนี่แหละ เพราะว่าสังขารมันแสดงไตรักให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ถึงแม้จะไม่มีปัญญาเห็นสัจธรรมขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องยัดเยียดความทุกให้กับเราเสมอไปความตายมันก็มีก็มีสิ่งก็มีสิ่งดีๆที่จะให้กับเรานะ เราไม่จนต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานเสมอไปคนจำนวนไม่น้อยนี่ก็สามารถจะตายอย่างสงบได้ถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นเกรงหรือพลันเพลงต่อความตายพระสารีบุตรท่านพูดดีนะท่านบอกว่าเราไม่ติดใจในชีวิตแล้วเราไม่ได้ชื่นชอบความตายนะ เราคอยเวลาเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาเลิกงานลูกจ้างนี่ก็ย่อมรอเวลาเลิกงานนะถ้าความตายนะมันก็มีแง่มุมนะที่ที่เหมือนกับการเลิกงานหรืออีกท่านหนึ่งนะาษะสังกิตใจท่านหนึงก็บอกแล้วนะีรอรอความตายมันก็ลูกจ้าง ที่ทำงานเสร็จแล้วนะรอรับค่าจ้างนะฟัง่งนี้เราก็ดูไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยนะมันเป็นช่วงขณะที่ดีนะจะรอรับค่าจ้างนะพระอาทิ ม, มุทนี่ท่านก็เคยกลาก่าวกับโจนะโจนจะก่าท่า น, ท, านท่านไม่กลัวเลยท่านโจนก็ถามว่าทาไมถึงไม่กลัวต้องบอกว่าเราไม่กลัวความตายเหมือนกับคนที่ไม่กลัวที่จะวางภาระลงในการ มีชีวิตนี่ก็เหมือนการที่ยังแบกภาระแต่ตายเมื่อไหร่ก็คือการวางภาระมันก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันมีชาวญี่ปุ่นคนนึงนะเป็นนักธุรกิจนะอายุเจ็ด0กว่าแล้วก็เป็นโรคลายแต่แกก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายนะตอนใกล้ตายนี่แกก็บอกว่าผมได้บรรลุทุกอย่างที่ปรารถนาแล้ว ตอนนี้ผมกำลังรอพิธีรับรางวัลเขารอความตายเหมือนกับรอพิธีรับรางวัลคนที่พูดอย่งนีได้นี่ก็เพราะว่าได้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าเต็มไปด้วยความหมายแล้วขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับความตาย จะตัวจะเตรียมตัวเตรียมใจได้ก็มีความเข้าใจเรื่องความตายนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องความตายมันก็จะเห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ถ้าเข้าใจความตายก็จะพบว่าคนเรานี่สามารถจะตายอย่างสงบได้เราสามารถจะพบว่าความสงบอย่างยิ่งก่อนที่จะสิ้นลมได้อันนี้พระเจ้าก็ต่ํากันนะว่าเป็นพุทธภาษิต ส, สั้นๆเนี่ยบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต หมายความว่าในเวลาสิ้นชีวินนี้สามารถจะเกิดความสุขได้นะหรือสามารถจะเป็นสุขได้เพราะอะไรนะเพราะว่าได้นึกถึงบุญหรือว่าได้บาเพ็ญบุญอาจจะเป็นบุญที่เคยทำในอดีตแล้วเราลึกนึกถึงหรือว่าบุญที่เพิ่งทาและบุญที่ว่านนี้มันไม่ใช่แค่การให้ทานนะยังรวมถึงเรื่องภาวนาด้วยหรือเรื่องของศีลด้วยเมื่อ พุทเจ้าก็ตัดไว้เองนะสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์วเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวประโลกตั้งมั่นในธรรมคืออะไรมันคงในความดีถ้ามันคงในศีลในธรรมนี้ย่อมไม่กลัวป่าะโลกหรือว่าย่อมพบสุขนะในเวลาสิ้นชีวิตก็มีคนหลายคนนะแม้จะว่าจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้เป็นพระด้วยแต่ก่อนตายนี่เขาก็ ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะอย่างคุณปู่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งป่วยด้วยโรคร้ายแล้วเลือกที่จะมาตายที่บ้านแทนที่จะไปไปยื้อที่โรงพยาบาลในห้อง ICU จะบอกขอมาตายที่บ้านดีกว่าแล้วก็มีหมอมาดูแลมีพยาบาลมาดูแลให้การดูแลแบบประคับประคองช่วยลดความเจ็บความปวดทำให้สุขสบายแต่ว่าไม่ได้ยื้อชีวิต ได้มีเวลาอยู่ใกล้หลานใกล้ลูกอยู่บนเตียงที่ตัวเองคุ้นเคยสองสมา ส, สุดท้ายนี่แกยังพูดเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงถึงแม้ว่าสมองผมจ ะ, ะสับสนอยู่บ้างแต่มันก็มีความสุขนะมีพูดสองสมา ส, สุดท้าย วันสุดท้ายนี่ก็ยังขณะที่ยังรู้สึกตัวก็ยังพูดว่าเนี่ยผมก็เป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งถ้าเรามองหรือเข้าใจความตายในแง่นี้เราก็จะรู้ว่าความตายมันไม่ได้น่ากลัวแต่ทานี้ได้เนี่ยมันก็ต้องลงทุนลงแรงนะ <c ười> คือฝึกฝนทนั้งในแง่การทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลรู้จักใครครวนชีวิตรู้จกักนะศึกษาทาความเข้าใจเรื่องความตาย รวมทั้งรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจรับมือความตายไม่ว่าจะเป็นการเจริญมรณาสติรวมที่เตียมสำคัญคือการรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ยังห่วงลูกห่วงหลานยังห่วงงานหรือว่ายังมีความคับแค้นยังมีความผูกโกรธ หรือยังมีความรู้สึกผิดติดค้างใจนี่มันตายยากก่อนตายก็ทรมานตายแล้วก็ไม่รู้จะไปอบายหรือเปล่าแต่ถ้าว่ารู้จักปล่อยวางด้วยการฝึกจิตด้วยการวางใจอย่างถูกต้องไม่ใช่มาทำตอนใกล้ตายนะแต่ว่าทำในขณะที่ยังสุขสบายดียอยู่หรือทำแต่เดี๋ยวนี้ ถึงเวลามันก็จะปล่อยวางได้ง่ายยิ่งถ้าฝึกสติน ะ, จะเจริญสมาธิมีความสึกตัวบางครั้งมันจะมีความกลัว ม, มีอารมณ์ที่เป็นอกุศลผุดขึ้นมาก็สามารถปล่อยวางมันได้หรือผ่านมันไปได้ไม่ปล่อยให้มันครองใจใครจะไปรู้นะมันอาจจะโผล่ขึ้นมาอย่าไม่ทนันคาดคิดก็ได้แต่ถ้ามีสติอ่ะไม่ปล่อยใจถลําเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ ผ่านตลอดได้เหมือนกันเร่องถ้ามีปัญญานฝะึกจิตจริลยพิปั ส, สนาจนกระทั่งมันเป็นได้บรรลุถึงอย่างที่อาจารย์พุทธะเรียกว่าตายก่อนตายคือละความหลงผิดว่ามีตัวเราทำให้ตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมเนี่ยถึงตอนนั้นนี่มันก็ความตายก็ไม่น่ากลัวแล้ว เพรามัมีแต่ความตายจะไม่มีพูดตายนะไอ้ที่เรากลัวตายเพราะมันยังมีความชสกูจะตายกูจะตายไม่มีความสําคัญบ้านหมายว่ากูที่กำลังจะตายซึ่งมันทรมานมากถ้ามีความสําคัญบ้านห ม, มายแบบนั้นแต่ถ้าว่าเจริญสติตนะมีปัญญาเนี่ยจนกระทั่งมันละความหลงผิดว่ามีกูเนี่ยมันก็มีแต่ความตายจะไม่มีพูดตาย แลวสุดท้ายแ ค, ความตายก็ไม่มีด้วยมันมีแต่การเปลี่ยนสภาพความตายจะว่าไปก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งนะสมมุตนะิเวลาชีวิตเราเวลาชีวิตมันสิ้นสุดเนี่ยเราก็เรียกว่านั่นแหละคือความตายแต่จริงๆชีวิตไม่ได้สิ้นสุดนะมันยังไปต่อรวนะกก็ยังคืนสู่ดินน้ำไฟลมนะน้าก็ ยังมีความสืบเนื่องต่อไปมันไม่อะไรที่สิ้นสุดนะมันยังมีความสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆเจ้าแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเราก็เรียนมาว่ามันสิ้นสุดที่อ่าวไทยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สิ้นสุดเนี่ยคือชื่อเท่านั้นแหละเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้จบตรงที่อ่าวไทยน้าก็ยังไหลต่อนะ เพียแต่ไหลาจากแม่น้ําสู่ทะเลมันจะมีความสืบเนื่องนะของแม่ของน้ำํำสิ่งที่สิ้นสุดเนี่ยก็คือชื่อนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันไม่ได้สิ้นสุดไปมันก็ยังไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงความตายเราหมายถึงความสิ้นสุดของชีวิตที่จรงิงมันไม่ได้สิ้นสุดหรอกนะมันไปต่อมีความสืบเนื่องถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันมันก็ไม่มีเพียงแต่ทงความตายหรืออย่างที่ท่า น, นาทิศนาธานบอกเนี่ย เมฆไม่เคยตายนะเพราะเมฆแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นฝนฝนตกลงมากลายเป็นทะเลเอากลายเป็นแม่น้ําลําคลองเสร็จแล้วมันก็ จ, จะเหือดแห้งไปแต่มันก็ไม่ได้ตายมันแค่เปลี่ยนสภาพงั้นถเราเข้าใจแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีแม้กระทั่งความตายและพูดตายพวกนี้นก็ต้องฝึกเอานะต้องต้องฝึกฝน รงกระทั่งสติแก่กล้าปัญญานะแทงทะลุถึงสัจธรรมนั่นแหละจึงจะเรียกว่าถึงเมื่อถึงเวลาก็พร้อมตายหรือเต็มใจตายถ้าพวกเราถ้าฝึกมาถึงตรงนี้ได้นะคือเต็มใจตายนะมันไม่มีความทุกขนะ์นที่จะเกิดขึ้นเลย